จำนวนแนววิปัสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระอริยบุคคลหลายระดับหมวดว่าด้วยพระเศขะกับพระอรหันต์พระสารีบุตรถามพระอนุรุท ธ, ธว่าที่เรียกกันว่าพระเศขาพระเศขะด้วยเหตุผลเพียงไหนจึงเป็นพระเศขะตอบว่า เพราะเจริญสติปทานสีได้แล้วบางส่วนจึงเป็นพระเสขะพระสารีบุตรถามว่าเรียกกันว่าพระอเศษขะด้วยเหตุผลเพียงไหนจึงเป็นพระอเศคขะพระอนุรุทธาตอบว่าเพราะเจริญสติปทานสีได้เต็มบริบูรณ์จึงเป็นพระอเศคขะ ภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดทุกรูปมีกิจที่ต้องประทำด้วยความไม่ประมาทในภาษายตนะคืออายตนะสาหรับรับรู้ทั้งหกแล้วเราก็ไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดทุกรูปไม่มีกิจที่จะต้องทำด้วยความไม่ประมาทในภาษายตนะทั้งหกภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต สิ้นอาสวะแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ถูกทุวนสำหรับภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่าไม่มีกิจที่จะต้องทำด้วยความไม่ประมาทในภาษายตนาทั้งหกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกิจที่ต้องทำด้วยความไม่ประมาทอันภิกษุเหล่านั้นทำเสร็จแล้วภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะประมาท ส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลยังปรารถนาอยู่ซึ่งธรรมะอันเป็นโยคัาเกษมที่ยอดเยี่ยมสำหรับภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่ามีกิจที่จะต้องทำด้วยความไม่ประมาทในภาษายตนะทั้งหกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่ารูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุ เสียงกลิ่นรสพทธภะคละจนถึงธรรมารมทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยใจย่อมมีทั้งที่เรื่อนโรมใจบ้างไม่รื่นรมใจบ้างรูปจนถึงธรรมารมทั้งหลายเหล่านั้นถูกต้องแล้วคือรับรู้เข้ามาถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วย่อมครอบงามจิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทไม่ได้ เพราะการที่จิตไม่ถูกครอบงำก็เป็นอันได้เริ่มระดมความเพียรไม่ย่ อ, อย่อนสติก็กำกับอยู่ไม่เผลอกายก็ผ่อนคลายสงบไม่กระสับกระส่ายจิตก็ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเราเหล่งเห็นผลแห่งความไม่ประมาทดังนี้แหละจึงกล่าวสำหรับภิกษุเหล่านั้นว่ามีกิจที่ต้องกระทำด้วยความไม่ประมาทในภาษายตนะทั้ง6 ในประโยคที่ว่ายังปรารถนาอยู่ซึ่งธรรมะอันเป็นโยค ะ, ะเกษมหมายเหตุว่าภาวะปลอดภัยจากกิเลสซึ่งผูกเทียมสัตว์ไว้กระพบหรือภาวะปลอดแอกหมายถึงอรหันตภาวะคือความเป็นพระอรหันต์ใช้ในภาษาสามัญหมายถึงความปลอดโปร่งโล่งใจหรือความหลุดรอดปลอดภยัย มีอยู่นะภิกษุทั้งหลายปริยายคือแนววิธีช่องทางนัยยะอ้อมแงแห่งเหตุผลปริยายที่เมื่อได้อาศัยแล้วภิกษุเซกะดำรงอยู่แล้วในเสขภูมิก็รู้ชัดได้ว่าเราเป็นเซกะภิกษุอาเซกะดำรงอยู่แล้วในอาเซขะภูมิก็รู้ชัดได้ว่าเราเป็นอาเซกะ ในข้อนี้ภิกษุเซกขาดำรงอยู่แล้วในเซกภูมิย่อมรู้ชัดว่าทุกข์คือดังนี้ทุกขะสมุทัยคือดังนี้ทุกขะนิโรธคือดังนี้ปฏิปทาให้ถึงทุกขะนิโรธคือดังนี้นี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่เมื่อได้อาศัยแล้วภิกษุเสกขะดำรงอยู่แล้วในเซกภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นเซกขา อีกประการหนึ่งภิกษุเสขะย่อมพิจารณาดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากธรรมวินัยนี้มีบ้างไหม่หนอที่แสดงธรรมะซึ่งจริงแท้แน่หรือตถทักเหมือนดังพระผู้มีพระภาคเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากธรรมวินัยนี้ไม่มีเลยหนอ ที่แสดงธรรมซึ่งจริงแท้แน่เหมือนดังพระผู้มีพระภาคนี้ก็เป็นปริยายหนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุษเสขะยำรูชัดซึ่งอินทรีทั้งห้าคือสัตทินรีวิริยินทรีสตินรีสมาทินสีปัญยินทรีอินทรีทั้งห้ามีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นจุดสูงสุด มีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นจุดหมายเธอสัมผัสด้วยนามกายยังไม่ได้เป็นแต่เห็นปลุปโปรงด้วยปัญญานี้เป็นปริยายหนึ่งที่รู้ชัดได้ว่าเราเป็นเซขะในข้อนี้ภิกษุอเเซขะยอมรู้ชัดอินสีทั้งห้าคือสัททินรีวิริยินสีสัจทินสีสมาทินรี ปัญญียีอินรีทั้งห้ามีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นจุดสูงสุดมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นจุดหมายเธอทั้งสัมผัสอยู่ด้วยนามากายและเห็นปรุปโปร่งด้วยปัญญานี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่เมื่อไดอาศัยแล้วภิกษุอาเสขาดำรงอยู่แล้วในอาเซขาภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นอเซขะ อีกประการหนึ่งภิกษุอเสขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีทั้งหคือจากขุณศีโสตินรีคานินรีชิวินรีกาญินรีมณินรีเธอรู้ชัดว่าอินทรีทั้งหเหล่านี้แลจจะดับไปหมดสิน้นโดยประการทั้งปวงไม่เหลืออยู่เลยและอินทรีหกเหล่าอื่นก็จกไม่เกิดขึ้นหน้าที่ไหนไหนเลยนี้ก็เป็นปริยายหนึ่ง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 สิ่งที่เกิดมีก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดารันเห็นดังนั้นแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหายติดเพื่อความหมดใกล้เพื่อความดับไปแห่งสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้และเป็นเสคขะสาวรีบุตรอย่างไรละ่ะจึงจะเป็นสังขารธรรม สังคาตาธรรมคือผู้สำเร็จธรรมคือผู้สำรวจธรรมะเสร็จแล้วหรือผู้ตรวจสอบธรรมเสร็จแล้วหมายถึงพระอระหันต์บุคคลมองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่านี้คือสิ่งที่เกิดมีรั้นเห็นดังนั้นแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเราะความหายติดหมดใคราดับได้ไม่ถือมั่นสิ่งที่เกิดมี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 ก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นเห็นดังนั้นแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะหายติดหมดไคร่ดับได้ไม่ถือมั่นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเป็นสังคาตาธรรมจากต้นประโยคที่ว่านี้คือสิ่งที่เกิดมี คำบาลีว่าภูตะอัทกถาว่าหมายถึงคันห้าการบรรยายปฏิปทาของพระเสขะและอาเสขะอย่างนี้ท่านว่าเป็นเพียงใน่ายะหนึ่งเท่านั้นความจริงอาจแดงได้หลายแงย่เช่นตามแนวคันห้าตามแนวอายตนะตามแนวธาตุและตามแนวปัจจัยหรือปฏิจจสมุปบาท ในอังคุตระนิกายติการนิบาศซึ่งเป็นภาษิทธ์ของพระอานนุนกล่าวถึงศีลอย่างเสขะและสมาธิอย่างเสขะแล้วท่านมหานามะถามว่าปัญญาอย่างเสขะคืออย่างไรตอบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า น, นี้ทุกขททนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ปฏิปทานําไปสู่ทุกขะนิโรธ นี้เรียกว่าปัญญาอย่างเสกขะอริยาสาวกนั้นนั่นแหลผู้ประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้ประจักษ์แจ้งเข้าถึงอยู่ด้วยความรู้ยิ่งเย่งในปัจจุบันซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ศีนสมาธิและปัญญาในกรณีนี้ เป็นอาเซฆะทั้งหมดและยังมีคำจากัดความต่างๆเกี่ยวกับเสฆะและอเซฆะที่น่าสนใจขอนำมาลงไว้ดังนี้เพราะศึกษาอยู่แลฉะนั้นจึงเรียกว่าเซฆะศึกษาอะไรเล่าศึกษาทั้งอาธิศีนศึกษาทั้งอาธิจิต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 ภิกษุชื่อว่าเป็นเซขะภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรัมตตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมายาณะสัมมาวิมุตติที่เป็นอาเซขะอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นอาเซขะ บาลีแห่งหนึ่งจากสังยุตตนิกายมหาวารวักแสดงความแตกต่างระหว่างเสขาวิหารกับตถาคตาวิหารว่าพระเสขายังละนิวรห้าอยู่ส่วนพระอระหันต์กำจัดนิวรห้าได้หมดเส้นเด็ดขาดแล้วคำพีอภิธรรมจำกัดความว่าบุคคลผู้เป็นมัคคาสมังคีสี และผู้เป็นผลสมังคีสามชื่อว่าเคขะพระอรหันต์ชื่อว่าอาเคขะบุคคลเหลือจากนั้นเป็นเคขะก็ไม่ใช่อาเคขะก็ไม่ใช่